พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าวัตตะเคียนวัตตะโก ว่าหนาบอกว่าเมือนจะเป็นพ่าปา้าเตะแม่พวกใดนะพวกที่แม่ผู้ ก, การบุญสืบบ่อมันจิมาทอดผ่าปา้าวัดหลวงพ่อโสตพ่อที่ผุนจิมาทอดเกี่ยวกับขึงมือแพทย์แล้วคงจะได้ยนินว่าจะไปผุนอาจจะไป วัดรวมธรรมวันนี้เป็นวันที่สามสบอ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพห้าร้อยห้าสิบแปดวันพรุ่งนี้วัดรวมธรรมวัดของท่านรัตนะจะทําบุญครบรอบร้อยวันของ หลวงพ่อของท่านหลวงพ่อบุญสมที่ทินเป็นหลวงพ่อของท่านรัตนะที่ท่านได้มรณะภาพที่โรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็ได้มาไปชมเพลิงอยู่ที่วัดป่ารวมธรรมอําเภอเพนจังหวัดอุดรของเราทราบว่าท่านรัตนะลูกชายที่ทำบุญก็พร้อม ร้อวันของคุณพ่อนะเพราะฉะนั้นทางในวัดของเราก็คงจะให้ไปจังหันหนะ้าวันพรุ่งนี่นะทางฝ่ายในครัวเตรียมใครจะไปบ้างหรือจะไม่ไปก็สุดแท้แต่แต่หลวงพ่อให้ไปแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะไปก่อนนะคงจะไปในงานประคบรอบร้อยวันของหลวงพ่อธันรัตนานะ วันที่หนึ่งเป็นวันทาบุญอุทิศสวนกุศล <c oughs> ลำลึกถึงหลวงพ่อของทานรัตนะแล้วก็เมื่อวานวันที่สามสิบมกราห้าแปดเป็นวันทาบุญก็อพรอะลำลึกถึงวงหลวงตา มาหาบัว4ปีนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานนะพรบเดียว4ปีแล้ว4ปีเมื่อวานที่หลวงตาของเราจุตินิรพานพวกเราได้ร่วมกันทาบุญราลึกถึงประคุณของท่านรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนสัายาติโยมล้นหลามมากเมื่อวา น, นแล้วก็เป็นการทาบุญสองอย่าง คืออย่างนึ่งก็คือทําบุญครอบรอบองค์หลวงตาสปีแล้วก็ทําบุญประทายเข้าเปลือกที่บุญเป็นบุญประจําปีที่องค์หลวงตาเคยจัดมาตั้งแต่หลวงพ่อไปอยู่ก็จัดทุกปีเพื่อเป็นการทําบุญของชาวนาหลวงตาให้เหตุผลว่าการทําบุญประทายเข้าเปลือก เพราะลงทํานาแต่ละครั้งพวกสัตว์ที่ได้ตายเพราะการทํานาของพี่น้องลูกหลานไม่ใช่น้อยพวกกบพวกใส่เดือนพวกอะไรที่ตายในการทํานาของชาวนาไม่ใช่ว่าธรรมดานะเพราะลวงตาเป็นชาวนาลวงตารู้เห็นท่านบอกว่าน่าจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณ อย่าได้มีพิษมีภัยอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันแล้วก็เป็นการทําบุญให้กับพวกสัตว์ที่ทําไร่ไถนาให้กับมนุษย์ด้วย เ, เป็นการอุทิศส่วนกุศลต่ อ, อสรรพสัตว์ทั้งหลายอาันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านปารบในการทําบุญประทายข้าวเปลือกท่านจึงมาทํามาทุกปีที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นแต่รู้สึกว่าบุญประทายข้าวเปลือกจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของ ชุมชนในละแวกนั้นที่องค์หลวงตาไปทาบุญเขาไปแต่ละครั้งหลวงตาทำอะไรไม่ไม่ใช่ทำน้อยอย่างวานะบุญประทายเข้าเปลือกกองพลันเดินทึกเป็นภูเขาลากามากแต่เมื่อวานก็มากเหมือนกันไม่ได้แพ้ครั้งก่อนแล้วก็จะตุกปัจัยที่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมออกเขาไปทําบุญเมื่อวาน หลวงพ่อก็ได้ถามถามไถ่าทางพระนะข้าวไม่รู้จักว่าได้กี่ตันแต่ว่าจะตุปัจจัยได้ประมาณห้าล้านกว่ า, วาครับหลวงพ่อแต่ยังไม่นับนับเช็คนี่ยังไม่ได้นับเพราะมันยังแต่จัดกระจายอยู่ยังไม่เรียกเรียกเก็บอแต่ปัจจัยเงินสดได้ประมาณห้าล้านกว่าคงจะเอาเข้าเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง ที่พวกเราได้ไปร่วมการทำแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ประกาศเมื่อวานเนี่ยบอกว่าจะตุปัจจัยศรัทธาญาติโยมถวายต่างกลามต่างวาระถึงพวกเราจะไม่ได้สร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ปัจจัยเหล่านั้นก็ไม่ได้ล่วไหลไปที่ไหนอยู่ในบัญชีเก็บรวบรวมไว้อยู่หลวงพ่อก็ได้ถามหลวงพ่อสุดใจที่นั่งค้างหลวงพ่อเมื่อวันที่22 มักราที่ประชุมอยู่ที่สลากลางจังหวัดหลวงพ่อก็ถามว่าปัจจัยส่วนกลางที่ผ่านวัดป่าบ้านตานั้นประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อจุดใจสี่ร้อยกว่าล้านตนต น, ตนครับท่างก็บอกว่า4 400-400 กว่าล้านตนตนเนี่ยปัจจัยก็ยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าพวกเรายังตกลงกันไม่ได้เท่านั้นเองกําลังหาช่องหาช่องหาทางที่จะตกลงกัน ที่จะสร้างเจดีย์ปีห้าแดนี่คิดว่าได้ลงมือแน่นะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมใจเย็นๆสักหน่อยเพราะพวกเราพี่น้องเยอะนะพวกเราพี่น้องเยอ ะ, ะจะทําอะไรปรับปรับแบบคนคนเดียวไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้แต่ท้าพระท่านหลวงพ่อสุดใจท่านเข้มแข็งสักอย่างคงจะไม่มีปัญหาแต่ในท่านหุวใจท่านก็ป่วยท่านก็ไม่สบาย อ่ันก็อาศัยพวกพี่ๆน้องๆบริวารก็เลยใครๆก็ไม่กล้าไม่กล้าตัดสินใจถ้ากัดตัดสินใจมันผิดพลาดลงไปแล้วก็กลัวชุมชนสังคมเอประ น, นามลักษณะอย่างนั้นละ่ะแต่ตามไม่จริงก็ไม่มีใครประ น, นามใครเราสร้างคุณงามความดีข้อสําคัญในคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นแหะมีแต่ส่งส่งเสริม แต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสวดมนต์ไปตอนเช้านะวันก่อนมีการสวดมนต์เย็นตอนตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าหลวงพ่อยังไปออกจากวัดตีสี่ครึ่งคิดว่าจะไปก่อนเพื่อนเพื่อจะให้เขาวัดง่ายๆที่ไหนได้โอ้โหพอไปถึงหน้าวัดนะถ้าไม่ใช่วัดถ้าไม่ใช่รถหลวงพ่ออินแล้วก็คงจะเข้าไม่ถึงเมื่อวานนะีอันนี้เขาก็ถาว่นรถ หลวงพ่อก็เลยเปิดค่อยๆให้เข้าไปจนถึงไปถึงศาลาเมื่อวานคะนเยอะจริงๆเมื่อวานนะคนแน่นไปหมดเลยยังเห็นและยังอบอุ่นเห้นใคว่าลูกหลานยังให้ความเคารพสักการะในองค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งเพราะว่าพวกเราได้นำธรรมคำสอนขององค์หลวงตาไปประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ศีลเมตตมีแต่ธรรมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราลําลึกถึงขึ้นมาเมื่อไรโอ้เราจะได้เอาอะไรเนาะทดแทนพระคุณขององค์หลวงตาเพราะนั้นต่างคนก็ต่างลําลึกถึงพระคุณออถึงวันครบรอบหนึ่งปีวันที่ส0มสบมกราเป็นวันที่หลวงตาจุตินิรพานหลวงตามรณภาพพวกเราก็ได้ร่วมกันไปแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะ ด้วยน้ําจิตน้าใจของพวกเราจึงพี่น้องพี่น้องประชาชนจึงไหลามาอย่างล้นหลามอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อวานนี่แหละแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปคือหลวงพ่อก็ฟังฟังครูบาสวดมนต์นะท่านพระอาจารย์สวดมนต์ฟังฟังตรงค ง, งจะเป็นเสียงของหลวงพ่อชินและยองเป็นผู้นําสวดมนต์ แล้วก็เสียงองค์ที่สองกับเสียงไมคก็คือหลวงพ่อจิรวัตรพอต่อมาอีกจะเป็นเสียงหลวงปู่เลิมอแต่ฟังฟังดูแล้วการสวดมนต์หลวงพ่อว่านอตะเบียง เ, เสียงใครตะเบียงเสียงเราเหมือนกับพระพม่าสวดมนต์ลักษณะอย่างงั้นล่ะหลวงพ่อฟังดูในสถานในวิทยุหลวงพ่อก็ ทำนี่ไกลๆเมื่อกันนะลูกหลานนะเออทําไมอไม่ฟังเสียงกันบ้างเล้อการสวดมนต์ดูแต่เบ่งเสียงใครแต่เบ่งเสียงเราเอสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อห ล, ลวงพ่อชินน่อยู่จังหวัดระยองนะหลวงพ่อจิรวัตร เ, เป็นคนภูเก็ตใช่หลวงปู่เลิมเป็นคนจังหวัดเลยคนละภาคกั น, นพอท่านเวลาสวดมนต์ก็เลยตะเบ่งเสียงใครตะเบ่งเสียงเรา เสียงละยองออกเสียงละยองเสียงภาคใต้ออกเสียงภาคใต้เสียงอีสานออกเสียงอีสาน เ, เหมือนกับพระพม่านั่งจองยองขึ้นมาแล้วเกิเอหันหน้าแล้วกิดณโมไปคนละทิศคนละทางพุ่นหนึง่งพุ่นหนึหน่งโมพุ่นึงตัดพุ่นหนึ่งสาวพระ พ, พม่าสวดมนต์พวกเราเคยเคยเค ย, เคยเห็นไหมพูดไปเกิดต่างคนต่างจบนี่แหละอันนี้หลวงพ่อว่า ตามไม่จริงใครเป็นองค์นำํำหลวงพ่อชินเป็นองค์นําเสียงใช้ได้ไหมเสียงใช้ได้ก็เออตามถ้าว่าเสียงองค์ไหนเสียงเล็กเกินไปเสียงพวกเราตามไม่ได้ก็ไม่ควรจะให้เป็นหัวหน้านะควรจะให้องค์อื่นที่เป็นหัวหน้าแต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะถ้าหลวงพ่อเป็นหัวหน้าก็เถอะถ้าองค์ไหนแตเ่เบ่งเสียงแรงกว่านหะลวงพ่อจะหลบทันทีเลยหลบไปให้องค์นั้นจ้ะ ว่าเขาตะเบงเสียงแรงให้เป็นผู้ออกเสียงสะเราก็ค่อยๆพูดตามๆไปคือไม่ตะเบงเสียงแข่งกันถ้ามันเป็นตะเบงเสียงแข่งกันน่ะไม่ได้ไม่น่าฟังเพราะในสิ่งเหล่านี้นะการสวดทํานองเราก็ต้องฟังอีกเหมือนกันอย่างองหลวงตามหาบวัวอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดที่ท่านพระ อาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเป็นสมภารเคยเป็นเจ้าวัดมา ก, ก่อน เ, อเวลาไปเข้ามาบ้านตาท่านก็เคยพูดอย่างไงท่านก็เคยพูดอย่างนั้น อ, อ, อย่างที่สวดมนต์กันอย่างอคาโตวเวเนอคาโตวเวปนสันน้นานางอาการทำมังวิชานตังอเกปนนาาุเทปั้นสั้นอาพูดไปแต่ลูกตาพูดตัด องค์นั้นท่านาก็ลากเสียงฮะลากเสียงท้ายทุกคําอพอจบพอจบลงแล้วลงตาท่นบอกได้ยินไหมเสียงตัวเองนะ่มันลากทําไมลากเสียงเพราไมเม็ดทำให้มันถูกกระหมู่มันทํำไม่ก็ฟังสิหูกับปากของท่านไม่ได้อยู่ไกลกันทําอย่างนั้นมันทํำยังไงมันน่าฟังไหมคนอื่นเขาฟังมันไม่น่าฟัง เข้าใจไ <ped> <t ale> หมหลงตามตรงตาขู่นะลงได้หลงพ่อได้ยินแต่กลับหูหลงพ่อเลยหลงพอ <ped> ่ <t ale> งอเว <ped> <t ale> ลาจะไปสวดมนต์นัถานที่ใดหลวงพ่อจะต้องตามเสียงผู้เสียงเขาเสียงดังกว่าบางทีมอบให้เขาสวดเลยเอ้านีมนต์ท่านเป็นผู้พานาสวดนะแล้วก็มอบให้เราก็เป็นผู้ตามเบนเสียแต่ ง, งานน <c oughs> ้อย ที่เราจะสวดได้แล้วว่าสวดชั่วข้าวหรือแบบงานไม่มากอะเราก็สวดนำสวดจะให้จบๆไปแต่ถ้าว่าเป็นงานใหญ่ที่ปิดสวดมากเราก็เออเอาสวดนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนตามอย่างนี้ก็มีมากตัวมากที่หลวงพ่อในการสวดมนต์ไม่ใช่ว่าเรายะถาวารีวาหานี่พรกษัภีติอ๊อกมันเดิมได้กรมได้ยังไง มันก็ต้องฟังอเ อ, อเสียงผู้เสียงผู้ท่านออกมาเสียงขนาดไหนเ อ, อเสียงเราก็ต้องถ้าเราทําเสียงไม่ได้อย่างท่านองค์ที่ออกก่อนเราก็พูดค่อยๆก็ได้สนะัพิทยโยอย่งงางนั้นก็ได้แล้วองค์ต่อไปเขาก็จะได้รับเออไม่ใช่ว่าองค์ที่สองมาตะเบงเสียงจน เสียงเป็นเสียงจิ้งหรีดไปมันฟังฟังรวนมันไม่น่าฟัง อ, ะ, อะเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้นะพวกพระที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยที่นั่งอยู่ปายตามแถวเนี่ยพระทั้งสามยี่สบเก้าสามสิบองค์เนี่ยที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่สอนให้เสาสลาฟังนะสอนให้พวกท่านทั้งหลายได้ละที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยละ่ะต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่วิธีการใช้เสียงทำยังไง ไม่ใช่ว่าตะเบียงเสียงใครตะเบียงเ ส, ส, สียงเราเหมือนพระพมา่าไม่ได้นะแล้วก็พระเมืองสุพรรณกับพระเมืองอ่างทองก็เหมือนกันอันนั้นก็แปลกเหมือนกันองค์หนึ่งอยู่องค์หนึ่งอยู่คนคนละฝั่งแม่น้ำไหมเจ้าพรนะญาวัดวัดหนึ่งจว่ว วัดวัดต้นตะโกวัดตะโกเนยะองหนึ่งเป็นวัดต้นตะเคียนหนะลวงพ่อเจ้าอาวาส เ, เจ้าตัววัดตะวัดวัดต้นตะโกกับวัดต้นตะเคียนนะเขาคนทมนต์มาฉันมาฉันร่วมกันนะพอมาฉันร่วมกันเสร็จแล้วก็องพ่ อ, อวัดตะโกก็ขึ้นให้พรใช่นะ อายุวัดทาโกธนาวัดทาโกศิริวัดทาโกยาสาวัดทาโกนไอ้หลงลงหลวงพ่อวัตตะเคียนเนี่ยเฮ้เอาแต่เข้าวัดตัวเองเนยหลวงพ่อนี่ก็เลยว่าวัตะเคียนอายุวัดตะเคียนธนาวัดตะเคียนศิริวัดตะเคียนวัตตะเคียนกับวัตตาโกก็เลยไปคนละทิศคนละทางเหมือนกันเอะพ่อตองต่างคนก็อยากจะได้ชื่อได้เสียงเข้าวัดตัวเองเนีเอ้นี่แหละ หลวงพ่อเว้าเอที่พระที่วัดบ้านตาดจวดมนต์เมื่อคืนวานนี้หลวงพ่อฟังวิทยุนะมันลักษณะอย่างนั้นแหละต่างคนต่างตะเบงเสียงบางงานเถอะเหมือนกับวัดหลวงพ่อวัดตะโกกับหลวงพ่อวัดตะเคียนอย่างงั้นน่ะหลวงพ่อวัดตะโกอายุวัดตะโกธนวัดตะโกหลวงพ่อเอาเข้าตัววัดตัวเองว่ะคล้องวัดตะเคียนบางทีออายุวัดตะเคียนธนะวัดตะเคียนสิริวัดตะเคียน บาดนี่มันจะเข้ากันได้ยังไงใช่ไหมนี่แหละในคำที่หลวงพ่อเอามาแจกในงานกระถินของพวกเรานะเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าแบ่งกันดีแบ่งกันดีได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีได้ดีบางคนถ้าแย่งกันดีไม่ได้ดีสักคนฟังๆเอาไว้นะพวกเรานะ ถ้าแย่งกันดีไม่ได้ดีสักคนถ้าแบ่งกันดีได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีได้ดีบางคนเหมือนแข่งกีฬาเราแข่งกีฬามันก็ได้ดีคนหนึ่งใช่ไหมหนอกนั้นก็ตกไปแต่แบ่งกันดีเฉลี่ยกันได้ดีทุกคนถ้าแย่งกันดีต่างคนต่างแย่งกันถึงจะชนะไปแล้วก็ไม่ยอมให้ชนะ พลที่สุกก็เลยเถึกฟ้องถึกร้องกันไปแถบแถบไปนี่แหละเพราะมันแย่งกันดีวั น, นั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเป็นแนวความคิดนะศรัทธาญาติโยมลูกลานทุกคนอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันการสวดมนต์สาธยายมันต้องเข้ากันให้ได้ เ, เสียงกับเสียงดวงตาท่านบอกว่าปากกับหูตัวเองเน่ยอยู่ใกล้กัน ไม่ได้ยินเหรอพูดยังไงเสียงดังเลยเสียงค่อยหลวงตาท่านท่านบอกอย่างนั้นนะสมัยก่อนหลวงพ่อสวดปฏิโมกอ์พ่อสวดเข้าไปพูดไม่พูดไม่ทุกพูดไม่ออกหลวงพ่อก็ท้อใจโอ้ยไม่สวดแล้ววะหลวงตาขู่เลยฮะกิเลสภายในใจมันยิ่งลึกลับกว่านั้น แต่เสียงของท่านในปากกับหูของท่านมันมันไม่ได้อยู่ไกลกันเลยเวลาท่านพูดเข้ามาก็ได้ยินถึงหูท่านท่านพูดผิดท่านพูดถูกท่านไม่รู้เหรอกิเลสยังเป็นสิ่งละเอียดกว่านั้นอยู่ที่หัวใจของท่านท่านจะไปชาระมันได้อย่างไงถ้าท่านมันไม่มีความสามารถอย่างนี้หลวงตาคู่หลวงพ่อยังจําไม่ลืงกระทั่งบัดนั้นเพราะนั้นการตะเบงเสียงและการพูด ปากกับหูไม่ได้ไกลกลันไม่ได้ไกลกั น, กกน เ, เราจะรู้ว่าอันไหนควรจะพูดเสียงดังเสียงค่อยเหมาะสมยังไงให้ชุมชนสังคมโลกทั้งโลกเขาได้รับรู้รับทราบนะอันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเรานะพะลูกพหลานวาพวกเราลูกหลานทุกคนนะแล้วก็พร้อมการเมื่อวันที่ยี่สิบปดหลวงพ่อได้ไปมอบ อาคานให้กับโรงพยาบาลเนี่าายคณาตตาญาติโยมลูกหลานถ้าไม่พูดเลยก็คือขาดไปหลวงพ่อได้ไปฉันจังหันอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรพระทั้งหมด9้าองค์ไปฉันในวันนั้นแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ขอคนมุนหลวงพ่อตรวจเลือดตรวจหัวใจหลวงพ่อก็ตรวจแล้วว่าหัวใจต่อไม่มีอะไรเลือดก็ไม่มีอะไรตรวจพระด้วยไนงะ จากนั้นเขาก็นัดไปไประชุมหลวงพ่อก็ได้มอบอาคารตึกเยี่ยมไข้ที่หลวงพ่อสร้างาตึกสิบชั้นอยู่ชั้นล่างาสำหรับให้พี่น้องประชาชนคน ท, ทุกจนไม่มีที่พักพาอาศัยถ้าจะไปพักโรงแรมก็เสียเงินมากแต่จะไปพักอยู่ตามฟุตบาทไม่รู้ว่าอะไรต่อไม่เลยความปลอดภัยทั้งลิ้นทั้งยุงคนพลุกผ่านอีกต่างหาก ลุงพ่อเขาเลยกับคณะก็เลยไปสร้างตึกชั้นล่างตึกชั้น1สนะิบติดกับตึกเรืงตาใครใครไปก็ไปดูก็ได้นะะไปดูได้ตึกชั้นล่างนะแล้วก็ห้องน้ํำด้วยห้องน้ําหญิงทั้ง12ห้องห้องชายห้องน้ําชายหแล้วก็โถปัสสาวะของชายอีก8ปนดะแล้วก็ห้องคนพิการห้องน้ําคนพิการอีกหนึ่งเดีย๋ยวลุงพ่อสร้างให้ครบเลยนะแล้วก็มีห้องพักคนเป็น ร้อยสองร้อคนคงจะพักได้มีมุ้งลวดมีพัดลมระบายเรามีของกรองน้ำํำใครเขาว่าเครื่องกรองน้ำท่านบอกเปิดน้ำปลาปลามาก็เปิดเข้ามาแล้วก็ดื่มได้เลยเป็นเป็นถังกรองน้ําแต่ปีหนึ่งเขาจะให้เปลี่ยนไส้ครั้งหนึ่งที่เขาพูดพูดมานะนี่แหละหลวงพ่อเขาคงจะมอบให้ เมอนั่นแหละมอบให้พอทั้งมีทั้งผู้ตรวจกระทรวงมาวะนะันนั้นตรวจกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแล้วก็พออโรงพยาบาลศูนย์หลวงพ่อเป็นเซนและก็มอบให้กับผู้ตรวจปลัดกระทรวงนะปลุผู้ตรวจกระทรวงทั้งสามท่าน ทานเซ็นรับทั้งสท่านหลงมอบไปแล้วนะเพราะนั้นทั้งพ อ, อ, อท่านก็บอกว่าท่านคงจะตั้งหลอปพดูแลความปลอดภัยในตึกหลังนี้ดูความเรียบร้อยต่อไปหลวงพ่อก็เออมอบไปแล้วนะเนอกะกำหนดหน้าที่ของหลวงพ่อไปละที่นี่ขอให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะตั้งตลอดพระเนน หือยังไม่ได้มาจากที่นี่ที่หลวงพ่อทำหรือสั่งให้ไปเนะี่ยก็ไม่ใช่เงินของหลวงพ่อเนาะเป็นเงินของพี่น้องประชาชนจัตไทยญาติโยมลูกหลานต่างกลัมต่างวาระทีิถวายมาหลวงพ่อก็เก็บเก็บไว้กับพอที่จะทําประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้ก่แบ่งแบ่งแบ่ ง, บงปันแบ่งการทำสรุปแล้วก็ใช้เงินประมาณ2ล้านกว่านะลูกหลานนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะสำหรับหลวงพ่อนะ หลวงพ่อจนๆนี่หลวงพ่อว่ามากแล้วสาหรับหลวงพ่อสองล้านกว่าถ้าเศรษฐีเขาก็ยิบจ้จอยเขยายว่างั้นน่ะแต่หลวงพ่อใหญ่สองล้านกว่าแล้วก็กระเบื้องท่านองค์ขมนตรีท่านถวายมาพันกว่ากล่องแล้หลวงพ่อก็เนี่ยเอาใส่ทั้งห้องห้องพักอ่าแล้วก็ห้องน้ำใส่นั่นน่ะใช้อาไปใช้กระเบื้อง ออกมาจากกรุงเทพมาส่งที่วัดเราเนี่ยแหละเราก็ลําเลียงเข้าไปไปใส่เนี่ะทั้งหมดไปรวมกันแล้วก็ทั้งกระเบื้องทั้งอะไรก็ประมาณสองล้านกว่าอประมาณสักไม่ไม่น่าจะเกินสองสองล้านห้าคิดว่านะะประมาณนี่แหละกันเรียบร้อยหมดแล้วล่ะพี่น้องประชาชนไปเห็นแล้วก็โอ้เข้าไปพักเต็มไปหมด ถ้าเราทำสิ่งไหนก็ตามถ้าทำไปแล้วพี่น้องประชาชนใช้นะใช้หลวงพ่อเห็นแล้วก็พอใจนะแต่ทำสิ่งไหนก็ตามพอทำไปแล้วไม่ได้ใช้งานก็้่มแกล้มไปเลยก็น่าเสียดายเงินเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าทำอะไรโอ้เขามาใช้ไปว่า เ, เราเปิดตลาดขึ้นมาแล้วมีคนเข้ามาใช้บริการใน ผลผลงานของเราที่เราทำเนี่ยนะกน้าภาคภูมิใจเพราะนั้นเราก็ได้มอบไปแล้วล่ะจบไปแล้วอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นพวกเราก็ได้ไประชุมกันมูลนิธินะมูลนิธิ ว, วิริยะศรีรวัตรเนี่นก็ประชุมหารหือกันเกี่ยวกับการที่จะใช้จตุ ป, ปัจจัยแล้วก็ในสร้างอาคารหอธรรม แล้วก็รวบรวมธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแต่พวกอื่นเขาก็คิดว่าจะสร้างาสร้างหอธรรมนะสร้างหอธรรมไอ้สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์แต่หลวงพ่อนเน้นหนักเรื่องเรื่องธรรมเทศนาของหลวงตานะาได้พูดกันแต่ที่แรกกับคณะสวงฆ์วัดป่าบ้านตาได้พูดกันกเก็บรวบรวมไว้ส่วนหนึ่งจ่ายเงินไปเกือบเจ็ล้านบาทเหมือนกันนะ แต่ต่อมาได้เอาเตาไฟเสียงอีกสองล้านกว่ า, กวาเกือบ3ล้านมั้งผมพอจำไม่ชัดนะแต่หลวงพ่อก็ยังคิดว่าถ้าเอาไว้แต่ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งเดียวถ้ามีไฟไหม้หรือเสียหายเกิดขึ้นอก็เสียหายทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลวงพอ่อน่าจะกระจายเพราะนั้นหลวงพอ่อจึงได้เอาส่วนหนึ่งที่เอามากระจายไว้ที่วัด แล้วก็คงจะกระจายวัดอื่นอื่นด้วยถ้าวัดไหนต้องการกคงจะถ่ายเอกสารนเราถ่ายกอ๊อปไปให้วัดต่างๆช่วยการรักษาธรรมเทศนาของหลวงตาพอหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วหลวงตาไม่กลับมาพูดอีกแล้วแต่ว่าธรรมเทศนาของหลวงตาหาฟังได้ยากเพราะท่านได้ทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติปริยัตท่านก็คือได้เป็นมหา บาลีของท่านท่านคล่องจําได้ดีได้แม่นแล้วก็ปฏิบัติท่านก็อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านประกาศว่าเราได้หมดจดจากกิเลสแล้วเราเป็นพระาราหันแล้วนะเออท่านยืนยันตัวของท่านเออองหลวงต า, เ, าเพราะฉะนั้นพวกเราในธนสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายในเมื่อธรรมเทศนาของหลวงตาที่ท่านหลวงตาผ่านไปแล้วเราก็ควรจะเก็บรวบรวมธรรมเทศนาของท่านให้เป็นหมวดหมู่ เ อ, อจากนั้นก็พวกเราอ่านนะสิอันไหนที่บ้างที่ทําร้ายทําลายคนมีธรรมเทศนาของหลวงตาไมิตรสอนทั้งนั้นแต่หลวงตาดุนะอหลวงตาบางทีด่ดุท่านเพราะว่าเราไม่ได้ดุคนนะเราดุกิเลสคนเออเราดุกิเลสคนถ้าคนดีอยู่แล้วนะ่ะจะไปดุทําไมมันดีอยู่แล้วนะเ อ, อเหมือนกับต้นเสาเนี่ยถ้ามันเกลี้ยงมันเกลาอยู่แล้ว จะไปเอาขวานถากทําไมมันก็ต้องเอากระดาษทรายเอากรสเล็กเอาอยู่ในอยู่ในเทนลงไปทาให้มันสวยงามขึ้นแต่งเติมขึ้นเอแต่มันคดรโคตรคง้คงโค้งเออเราจะไปเอาสเล็กทาไปเอาเออยู่ในเทนทาได้ยังไงมันต้องขวานถากเนยเราถากกิเลสเราไม่ได้ถากความดีที่เราดุนะั้นเราไม่ได้ดุคนดีนะเราดุกิเลสของคน อยู่ในใจของคนนั่นแหละเราดูตรงนั้นเนี่ยลงตาฟังฟังดูนะลงตาพูดถูกไหมวันนะษวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายหลายแนวอตอนนี้ไปพัะสง์จะอนุโมทนาให้พรรับพร